รู้เฉพาะตนตอนที่สองโดยดังตรินขอเกรินนำไว้สำหรับคุณผู้ฟังหลายคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าคุณดังตรินได้เปิดโอกาสให้คุณผู้อ่านและคุณผู้ฟังได้ส่งคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจเจริญสติของตนเองเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ถูกจุดและจะคัดเลือกมาตอบลงในนิตยส า, ารลองฟังลองอ่านดูนะครับ ถ้ามีอะไรสงสัยที่เป็นเรื่องเฉพาะตนก็ส่งคำถามมาได้ที่ knowityourself@gmail.com k n o w i t y o u r s e l f at gmail.com หรือกลับไปดูรายละเอียดได้ที่คอลัมน์รู้เฉพาะตนตอนที่1จากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่34นะครับสำหรับรู้เฉพาะตนฉบับนี้สรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับมีคำถามจากคุณผู้อ่าน2ท่านคนแรกเป็นจิต แพรยสาวกับคำถามที่ว่าจะเจริญสติระหว่างทำงานอย่างไรและเรื่องเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษทางจิตของเธอและอีกรายกับนักศึกษาหนุ่มกับคำถามเรื่องอยากมีสมาธิอ่านหนังสือและจะแก้อาการเสพติดเกมอย่างไรลองไปฟังกันนะครับว่าคุณดังตรินจะแก้ข้อสงสัยและแนะนําไว้อย่างไร รู้เฉพาะตนตอนจิตสัมผัสของจิตแพทย์สาวกรณีเฉพาะตนของแพทย์หญิงพลอยอาชีพจิตแพทย์ลักษณะงานที่ทำให้คำปรึกษาและจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตผิดปกติแต่ละวันต้องเผชิญกับคนไข้ไม่ต่ำกว่าสิบรายคำถามแรก ดิฉันจะเจริญสติระหว่างทำงานได้อย่างไรคะตอบการให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวกับหมู่ชนจำนวนมากโดยค่อยๆไล่ช่วยทีละคนนั้นจัดเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าทำด้วยเจตนาอนุเคราะห์ทุกครั้งก็ปรับปรุงคุณภาพจิตของคุณเองไปด้วยคือธรรมดาเมื่อให้ความสว่างกับคนอื่นย่อมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแสงสว่างเมื่อบาบัดความผิดปกติให้คนอื่น ย่อมรู้สึกว่าตัวเองเป็นปกติและเมื่อสามารถกำจัดทุกข์ให้คนอื่นย่อมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแหล่งความสุขทั้งความสว่างความนิ่งเป็นปกติและความสุขทางใจล้วนแต่เป็นเครื่องเสริมให้เกิดสติทั้งสิน้นฉะนั้นกล่าวได้ว่างานของจิตแพทย์มีส่วนช่วยให้สติของคุณเจริญขึ้นในตัวเองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผลกระทบข้างเคียงจากงานแบบจิตแพทย์มีอยู่ เช่นความเครียดจากงานหนักที่ต้องเผชิญกับคนไม่ปกติเป็นสิบสิบรายต่อวันตลอดจนความวิตกกังวลที่เคสที่ยากจะวินิจฉัยจึงแน่นอนว่างานของจิตแพทย์อาจรบกวนจิตใจคุณได้อย่างหนักกระทั่งบั่นทอนกำลังสติให้ถดถอยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีวิธีรับมือที่ดีพอหากจะนำหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้ามาประยุก ก็คงต้องมุ่งเน้นระลึกถึงสภาพการปรุงแต่งทางใจกล่าวโดยย่นย่อคือความรู้สึกของตนเองเป็นอย่างไรก็รู้ความรู้สึกของคนอื่นเป็นอย่างไรก็รู้และรู้โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลเกิดจากเหตุหนึ่งแล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเสมอมาว่ากันในภาคสนามแบบเป็นขั้นเป็นตอนนับเริ่มจากที่คุณนั่งรอคนไข้ยอยู่ที่โต๊ะเลยนะครับ หเข้ามาทําความรู้ตัวอย่างง่ายๆว่ากําลังนั่งอยู่การรู้สึกถึงท่านั่งเช่นหลังตรงหรือหลังงอวางเท้าราบหรืององุม้ม 2. สังเกตดูว่าในท่านั่งนั้นๆใจคุณมีอาการรอหรือว่าแค่รู้สึกถึงกายนั่งอยู่เฉยๆสาถ้ามีอาการรอ ขอให้สำรวจความรู้สึกว่ากำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ากำลังกระตือรือร้นอยากเจอคนไข้ถือว่าเป็นสุขถ้ากำลังเบื่อหน่ายไม่อยากเจอคนไข้ถือว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากใดๆถือว่ารู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุข 4. เมื่อเห็นคนไข้ก้าวเข้ามาในห้องให้ถามความรู้สึกของตนเองแบบสบายๆว่า คุณอยากคุยหรือไม่อยากคุยกับเขาและที่สำคัญความอยากชนิดนั้นรายความรู้สึกให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มากกว่าเดิมหากเห็นในขั้นนี้ได้บ่อยๆจิตคุณจะเริ่มประจักษ์ว่าสภาวะสุขและสภาวะทุกข์เป็นของไม่เทียงมีเหตุปัจจัยยิ่งดูบ่อยเท่าไหร่จะยิ่งเห็นว่าไม่มีบุคคลอยู่ในความสุขความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นหากกาลังเป็นสุขคุณจะสามารถเปรียบเทียบ กระแสระหว่างตนเองกับคนไข้ว่าใครเป็นสุขมากกว่ากันและส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยคุณจะรู้สึกเป็นสุขมากกว่าคนไข้อย่าเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งให้วัดจากความรู้สึกโดยรวมเท่านั้นแค่เห็นว่าคุณคือแหล่งกระจายสุขทุกหน่วยหนึ่งคนไข้คือแหล่งกระจายสุขทุกขอีกหน่วยหนึ่งเป็นต่างหากจากกันเท่านั้นพอ 6. เมื่อเข้าโหมดพูดคุยสติของคุณจะเลื่อนจากการรู้กายใจตนเองไปหาเนื้อความที่พูดคุยกับคนไข้แทนตรงนั้นให้คุยไปเรื่อยๆอยู่ในโลกของความคิดไปตามสบายจะซักถามสัมภาษณ์อะไรก็ทําตามแบบแผนเต็มที่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่คุณว่างจากการเป็นฝ่ายพูดให้ลองสังเกตความรู้สึกของคนไข้ว่าแตกต่างจากเมื่อแรกที่เขาก้าวเข้ามาในห้องเพียงใดและความต่างนั้นเป็นบวกขึ้น หรือเป็นลบลงเพียงด้วยการฝึกรู้เท่านี้ซึ่งไม่ขัดขวางกระบวนการทํางานใดๆของคุณเลยกับทั้งไม่ได้แก้ไขตกแต่งสภาวะใดๆในตัวคุณเองด้วยก็นับว่าคุณเจริญสติแล้วสามารถทราบได้แล้วว่าตนเองและคนไข้กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คุณอาจเห็นสลับไปสลับมาระหว่างสองฝั่งหรือเห็นเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้น นั่นไม่สำคัญที่สำคัญคือถ้าเจริญสติถูกต้องคุณจะพบว่าความรู้สึกของตนเองและของคนไข้ไม่เทียงมีสุขบ้างลดบ้างเพิ่มบ้างมีทุกบ้างลดบ้างเพิ่มบ้างหรือเปลี่ยนมาเป็นเฉยเมยบ้างคนเราตอนทุกนั้นในอกจะอึดอัดเหมือนมีแรงดันจะมากหรือน้อยก็ตามส่วนตอนสุขในอกจะเปิดสบายคลายแรงอัด จะเบ่งบานแผ่ผายมากหรือน้อยเท่านั้นไม่ว่าจะในเราหรือในคนอื่นก็ออกอาการคล้ายกันหมดเมื่อเคยชินที่จะสัมผัสเหมือนเล่นๆบ่อยเข้าในที่สุดคุณจะพบว่าเกิดสติทีขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ เ, เห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลชัดเจนขึ้นทุกทีดังที่เกริ่นไว้ว่าโดยอาชีั้นสติคุณดีเป็นทุนอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่บุคคลเกิดขึ้นแค่ไหนต้องเสื่อมไปแค่นั้นใจคุณย่อมไม่มีอาการยึดเมื่อไม่มีอาการยึดก็ย่อมหน่วงเหนียวขยะทางอารมณ์ของคนไข้ามาเข้าตัวน้อยผลกระทบข้างเคียงจากอาชีพจิตแพทย์ย่อมไม่เกิดหรือถ้าเกิดขึ้นก็ตกค้างอยู่ในใจคุณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำถามที่สองบางครั้งที่ฉันจะสัมผัสได้ว่าคนไข้รู้สึกหรือกระทั่งนึกคิดอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติแต่ไม่ทราบจะเอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ได้อย่างไรเพราะตามกระบวนการกซักไซไลเลียงมักทาให้เราเขวจากความรู้สึกแรกที่บอกตัวเองแถมจะมีการห้ามอย่างเป็นทางการไม่ให้ใช้และไม่ให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองด้วยเพราะอาจนาไปสู่อคติคิดเองสรุปเอง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการวินิจฉัยที่เป็นระบบตอบการผ่านทะลุเข้าไปเผชิญกับความเป็นคนไข้ตรงๆหรือที่เรียกกันว่า Transparent Encounter นั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดเลยใครก็ตามที่วันๆต้องเจอผู้คนมากๆขอแค่ใส่ใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกอย่างไร ภาวะความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปเมื่อไรกระทั่งสัมผัสได้ชัดเป็นขณะขณะก็ต้องเกิดสัมผัสรู้กันทั้งสิน้นส่วนจะรู้มากหรือรู้น้อยก็สุดแต่ว่าใครจะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราจริงจังเพียงใดถ้าลองเจริญสติตามที่ผมบอกในข้อก่อนไปสักพักกระทั่งเห็นความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนคนไข้ผู้เป็นทุกข์ก็อาจจับจุดได้ถูกว่าในอกของคนไข้มีความอึดอัดขึ้นเมื่อไร เป็นแรงดันวูบ ว, วั บ, วบหรือยืดยาวซึ่งพอตามรู้ไปครู่หนึ่งจิตของคุณก็อาจเกิดความสามารถในการแปลขึ้นมาได้เองว่าคนไข้กำลังจมอยู่กับความรู้สึกผิดและหากเห็นความรู้สึกผิดของเขาได้ชัดพอก็อาจเกิดนิมิตขึ้นกลางใจคุณเองโดยไม่ต้องหลับตานั่งทางไหนคือเห็นต้นต่อความรู้สึกผิดของเขาว่ามาจากการที่ทะเลาะกับเมียและลงมือลงไม้รุนแรงโดยนิมิตอาจจําชัด หรือเลือนรางอาจทราบประมาณเวลาว่าเพิ่งเกิดหรือเกิดนานแล้วอาจเห็นเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวสั้นๆเช่นเห็นเขากำลังเงื้อมือฟาดเมียเมื่อคืนนี้หยกๆเป็นต้นช่วงต้นๆคุณจะไม่มั่นใจว่าที่เห็นนั้นจริงหรือหลอกจนกว่าจะได้ลองยับนอกรอบเช่นอาจแกล้งพูดเปลยๆแบบไม่ได้ดนตัวเขาเล่าให้ฟังว่าสถิติการตบตีกันระหว่างผัวเมีย นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีถ้าเห็นเขาสะดุ้งหรือชันงักนิดๆก็พอบอกได้ว่าหญิงเข้าเป้าแล้วและหากใช้วิธียับแบบนี้ได้ผลบ่อยจนแน่ใจว่าคุณเห็นจริงก็จะมีประโยชน์กับการตะลอมถามเอาความจริงให้ตรงจุดไม่ต้องถามเหี่ยงแห à, ตามมาตรฐานทั่วไปประหยัดแรงประหยัดเวลาและก็สนุกดีด้วยคนไข้จะเชื่อหมอที่รู้จักตัวเขาจริงๆ มากกว่าหมอที่รู้จักแต่หลักการซักไซไล่เลียงและสำหรับตัวคุณเองก็จะเชื่อมั่นว่าตัวเองเห็นเหตุแห่งทุกและวิธีดับทุกให้คนไข้ได้เสมอออยยย่่าททย่าาาไทททแมมมังงงีีครุุกใให้ดหสดสจ เพียงบทเรียนเคือต้าไปถึงจะแท้ไปชนะใจตัวเองก็พอรู้เฉพาะตนตอนอยากมีสมาธิอ่านหนังสือกรณีเฉพาะตนของนายครอบจักรวาลมาเหตุนํามสมมุติอาชีพนักศึกษาลักษณะงานที่ทรร เหมือนรับจ้างพ่อแม่ไปมหาวิทยาลัยฝืนใจตื่นฝืนใจเรียนแต่หัวไม่ค่อยแล่นใจจดใจจ่อรอเวลาเล่นเกมหรือไม่ก็หาจีบหญิงไปยานใหญ่ำคำถามแรกจะฝึกสมาธิอย่างไรให้อ่านหนังสือได้รู้เรื่องขึ้นครับแต่ละครั้งที่จะเริ่มอ่านต้องฝืนมากแม้แต่คืนก่อนสอบแล้วก็ไม่เคยจดจ่ออยู่กับหน้านหนังสือได้นาน อานได้บรรทัดสองบรรทัดจะอยากเมินไปทำอย่างอื่นทุกทีตอบถ้าไม่อยากทำอะไรใจก็ไม่จดจอ่อกับสิ่งนั้นและถ้าไม่จดจอ่อกับอะไรได้นานๆก็ไม่มีทางที่สมาธิจะเกิดขึ้นนี่คือหลักการที่ต้องจำไว้แม่นๆถามว่าเรามีวิธีฝึกสมาธิกันอย่างไรบ้างคำตอบไม่ใช่แค่นั่งหลับตาบริกรรมคำว่าพุทโธดูลมหายใจเข้าออก หรืออาศัยอุบายอื่นใดเท่านั้นแค่หาอะไรที่ดึงดูดใจคุณให้ติดตามอย่างต่อเนื่องได้ก็พอแล้วแม้แต่การอ่านหนังสือก็จัดเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งซึ่งน้อยคนจะพบเคล็ดลับในการอ่านให้สำเร็จคุณคงนึกไม่ถึงว่าเราเอาหลักการเจริญสติมาเป็นเคล็ดลับในการอ่านหนังสือให้มีสมาธิได้เรื่องเป็นอย่างนี้ครับตามหลักการเจริญสติจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดก็ตาม เราย่อมสามารถรู้ใจตัวเองได้ตามจริงเมื่อรู้ใจตัวเองแบบยอมรับตามจริงได้ขณะนั้นสติย่อมเกิดขึ้นจเจริญขึ้นแม้จะเป็นภาวะไม่ดีไม่น่าชอบใจก็ตามคุณรู้สึกเหมือนหน้าหนังสือเป็นไม้เบื่อไม้เมาถ้ามองแบบทรงจิตออกนอกก็คล้ายมีแรงผลักจากหน้าหนังสือให้คุณเบือนหน้าหนีแต่ถ้ามองแบบตั้งรู้อยู่ภายในจิต ก็จะเห็นว่าใจคุณ น, นั่นเองที่มีแรงต้านหน้าหนันงสืออยากทิ้งหนังสือทั้งที่หนังสือไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ได้ส่งแรงผลักแต่อย่างใดเลยเมื่อเห็นอาการต่อต้านที่เกิดขึ้นกับจิตคุณมีทางเลือกได้สองทาง 1. ปล่อยใจเมอลอยหรือหันไปครุ่นคิดถึงสิ่งอื่นที่จับใจคุณได้จริงๆเช่นเกมและผู้หญิงจากนั้นก็ฝันกลางวัน เว้นระยะพักสายตาจากหน้าหนังสือนานๆเพราะเมื่อลอยนานก็กลับมาต่อให้ติดกับเนื้อความที่ค้างไว้ได้ยากขึ้นเป็นสองเท่า 2. ยอมรับตามจริงว่าใจของคุณมีแรงต้านการยอมรับตามจริงนั่นแหละคือสติรู้เข้ามาในปัจจุบันคุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดคล้ายมีกา๊าซพิษอัดอยู่ในอกจากนั้นถามตัวเองว่า แรงต้านเป็นภาวะที่เที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้อย่าตอบด้วยวิธีคิดเอาแต่ให้สังเกตดูแรงอัดในอกว่าจะคลี่คลายลงเองได้หรือไม่เมื่อเกิดประสบการณ์ภายในเห็นแรงต้านหนังสือลดลงได้เองคุณจะรู้สึกว่าแรงต้านไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นแค่ภาวะกั้นขวางเป็นกำแพงร้ตัวตนที่ไม่ยอมให้จิตของคุณเชื่อมติดกับหนังสือเท่านั้น หากเลือกที่จะปฏิบัติตามข้อ2บ่อยๆคุณจะพบว่าแต่และครั้งที่รู้สึกว่าความอึดอัดแน่นอกคลายตัวจิตใจจะปลอยสงบลงพอที่จะหันกลับไปหาหน้าหนังสือได้กับทั้งพร้อมเปิดรับเนื้อความได้สักประโยคสองประโยคซึ่งหากประโยคสองประโยกดังกล่าวเข้าไปสู่การรับรู้ของคุณก็จะเป็นชนวนฉุดความสนใจให้อยากรู้เนื้อความในประโยคต่อๆได้เช่นกันขอให้สังเกตวิธีใช้สายตาด้วย ถ้าคุณออกแรงเพ่งมากเกินไปจะรับข้อความได้เพียงคำหรือสองคำเพราะต้องฝืนรับข้อความทีละนิดทีละหน่อยนานเข้าสมาธิก็จะหลุดง่ายตัวเกรงและเหนื่อยเร็วแต่หากมองสบายๆเหมือนมองรูปกว้างๆ ก, ก็จะรับข้อความได้เป็นกลุ่มคำพร้อมกันพอรับข้อความได้มากสมาธิจะต่อเนื่อง เนื้อตัวผ่อนคลายเกิดความเพลินอ่านได้เรื่อยๆจนเกิดสมาธิในที่สุดนี่แหละวิธีสร้างแรงดึงดูดระหว่างจิตกับหน้าหนังสือให้เกิดขึ้นสังเกตดูตอนแรกอาจจะเป็นแรงดึงดูดอ่อนแต่เมื่อคุณเริ่มสนุกเข้าใจเนื้อหาในหนังสือมากขึ้นแรงดึงดูดก็จะทวีตัวขึ้นตามลำดับกระทั่งรู้สึกเหมือนถูกดูดติดอยู่กับหนังสือไม่ต่างจากตอนเล่นเกมเลย แต่สิ่งที่ต่างกันคือสมาธิในการอ่านหนังสือจะหนักแน่นกว่าสมาธิในการเล่นเกมที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะตอนเล่นเกมคุณจะรู้สึกสบายใจได้สนุกตื่นเต้นเรื่อยเปยื่อยโดยไม่ต้องรับผิด ช, ชอบจริงจังมันก็แค่เรื่องเก็บตามเล่นๆได้ก็เหมือนไม่ได้เสียก็เหมือนไม่เสียชนะก็เหมือนไม่ชนะแพ้ก็เหมือนไม่แพ้ไม่ทาให้จิตของคุณ เข้าไปตั้งมั่นอยู่กับผลของการเล่นเกมสักเท่าใดแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือรู้เรื่องทําข้อสอบผ่านไม่น้อยนาเพื่อนคุณจะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังอย่างน้อยก็ได้รับผิดชอบหน้าที่รับจ้างพ่อแม่เรียนอย่างเต็มภาคภูมิกับทั้งอุ่นใจว่าอนาคตคงเอาตัวรอดได้ด้วยวิชาความรู้ที่เริ่มมีติดตัวสรุปคือ อ่านหนังสือได้คือได้อะไรมาจริงๆจึงทำให้จิตของคุณเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับผลของการอ่านหนังสือรู้เรื่องยุคเราเต็มไปด้วยเครื่องหลอกให้เสียพลังงานแม้เกมจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยจินตนาการแต่เราก็เอาร่างกายและจิตใจของเราไปเล่นจริงๆผลของการเล่นเกมเก่งอาจทำให้ภูมิใจแบบไฟไหม้ฟางหรือเหมือนไม้หลักปักขี้เลนเดี๋ยวเดียวก็ล้มจุดหมายในชีวิตเลยไม่มีจริงๆ แต่ถ้าพยายามเล่นแล้วไม่เก่งหรือแพ้ร่ำไปก็กลายเป็นความรู้สึกว่าเราคือไอ้ขี้แพ้ทั้งที่ยังไม่ลงสนามชีวิตรู้แพ้รู้ชนะกันจริงๆเลยคำถามที่2จะแก้อาการเสพติดเกมอย่างไรครับตอบค่อยๆดูไประหว่างเล่นเกม พิจารณาไปว่าจิตมีลักษณะแข็งๆทำให้ตัวทื่อๆเหมือนหุ่นยนต์น่าเบื่อจะตายที่ต้องจมแช่อยู่กับสภาพจิตและสภาพกายแบบนั้นคุณจะเห็นแต่ภาพล่อตาข้างหน้าจนกว่าจะฝึกรู้สึกตัวและเห็นสภาพหน้าสังเวทของกายใจตัวเองนอกจากนั้นก็ให้เห็นภาพรวมตามจริงถ้าเล่นเกมอย่างมีวินยัยชีวิตก็จะอยู่ในวินยัยแต่ถ้าเล่นเกมอย่างไร้วินยัยชีวิต ก็กระจัดกระจายเป็นเสี่ยงประกอบเป็นรูปเป็นร่างยากกลายเป็นคนอ่อนแอทั้งที่ร่างกายยังอาจจะแข็งแรงเท่าที่เห็นมาจิตของคนหมกมุ่นกับเกมจะฟุ้งซ่านอย่างหนักหงุดหงิดง่ายออกอาการหุนหันพลันแล่นบ่อยหลายคนเหมือนแปลกแยกจากโลกความเป็นจริงกระทั่งยากจะยอมรับความจริงใดๆคนไม่ยอมรับความจริงจะขี้เกียจทางาน มือเท้าอ่อนถ้าต้องแบกภาระความอดทนต่ำเมื่อเกิดความขัดแย้งกับใครๆแม้อยากทำอะไรก็กลัวความล้มเหลวเพราะชีวิตจริงต่างจากเกมเกมแพ้แล้วกดปุ่มเดียวก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่ชีวิตแพ้นี่ต้องรวบรวมกําลังใจกันนานไม่มีปุ่มกดใดๆทำให้รู้สึกเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดอย่างสดชื่นปรปรับฉับพันเลยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวนักเล่นเกมขั้นเทพ ที่ทำรายได้จากการแข่งขันระดับชาติใช้ชีวิตล้มเหลวจนต้องฆ่าตัวตายไปนี่แสดงให้เห็นว่าสุดยอดของการเล่นเกมไม่ใช่ความสุขพิจารณาโทษให้มากแล้วคุณจะอยากควบคุมตัวเองมีวินัยกับการเล่นเกมมากกว่าเดิมสรุปคือถามว่าติดเกมจะแก้อย่างไรอันที่จริงป้องกันดีกว่าแก้ พอติดแล้วค่อยหาวิธีเลิกคงยากแต่เมื่อติดแล้วก็ต้องหาทางแก้ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยเรืเริ่มจากพิจารณาให้เห็นโทษและมีวินัยกับตัวเองจํากัดเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือถ้างานไม่เสร็จจะไม่เล่นเป็นต้นการห้ามใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สติเจริญขึ้นโดยเฉพาะถ้าการห้ามใจนั้นดึงเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้ครับ จากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉ บ, บับที่35เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา ชีวิตทุ่มไปถึงฟันดงนกลายแสนไกลอย่าไปทอแม้ยังไม่มีคุณธรรมทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจหากจะลน้ำตาแค่เพียง ถึงจะแพ้ใครชนะใจตัวเองก็พอ